คนทรงแกและหลอกลวงมีคำถามถามมิสเตอร์ทอมยฮันสันว่าเนื่องจากมีผู้ที่ยังไม่เชื่อในเรื่องการทรงวิญญาณอยู่อีกมากโดยกล่าวว่าเป็นเรื่องของการเล่นกลและความเลวร้ายจะมีความเห็นอย่างไรในเรื่องนี้ ตอบว่าอันที่จริงทุกศาสนาในโลกนี้ก็ย่อมสอนว่าชีวิตไม่ได้สิ้นสุดลงพร้อมกับความตายของกายเนื้อแต่ความแตกต่างระหว่างศาสนาทั้งหลายกับพวกเรานักวิญญาณศาสตร์ก็คือว่าพวกนักศาสนาได้จะสอนอย่างเดียวแต่พวกเราพยายามหาประจักษ์พยานเพื่อพิสูจน์คําสอนนั้นให้คนอื่นเห็นจริงด้วย อีกอย่างหนึง่งผมเองก็ยอมรับว่าในเรื่องเช่นเนี้ยมีการทรงวิญญาณแก้และคนทรงวิญญาณที่หลอกลวงอยู่เหมือนกันเพราะว่าในโลกนี้มีคนอยู่ประเภทหนึ่งที่คิดถึงแต่เรื่องเงินเขาจะหาประโยชน์จากทุกคนและทุกสิ่งโดยหาทางให้มาเป็นประโยชน์ในทางทำเงินให้แก่เขาจนได้และวิธีที่จะช่วยโอกาสทาเงินได้ง่ายที่สุดประการหนึ่งก็คือหาอุบายต้มคนที่กาลังมีความเศร้าโศก ดังนั้นผมจึงอยากจะให้คําแนะนำว่าควรจะไปหาคนทรงที่มีความประพฤติและชื่อเสียงเป็นหลักฐานที่พอจะเชื่อถือได้อย่าไปหาผู้แอ บ, บอ้างหากินในทางนี้เพราะในปัจจุบันนี้ก็มีองค์การของนักวิญญาณศาสตร์ที่มั่นคงมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีอยู่หลายแห่งแล้ว เกี่ยวกับผู้ที่ยังสงสัยในเรื่องวิญญาณนั้นมิสเตอร์ทอมโยฮันสันได้ตั้งคำถามขอให้บุคคลเหล่านั้นตอบด้วยความจริงใจว่าที่ว่าท่านไม่เชื่อนั้นท่านได้ศึกษาเรื่องประเภทนี้มานานเท่าใดและมากน้อยเพียงใดเขากล่าวว่าเท่าที่ผ่านพบมานั้นปรากฏว่าผู้ที่ไม่ยอมเชื่อในเรื่องนี้ ก็คือผู้ที่ไม่เคยได้ศึกษามาเลยและเมื่อถูกถามเกี่ยวกับการรักษาโรคทางวิญญาณเขาตอบว่าผมเป็นผู้รักษาโรคโดยทางวิญญาณคนหนึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมทาอยู่เป็นส่วนใหญ่ผมต้องขอย้าให้ท่านทราบถึงความจริงข้อหนึ่งว่ามนุษย์ผู้ทาการรักษาโรคโดยทางวิญญาณ น, นั้นเป็นเครื่องมือหรือทางผ่านของอำนาจทางวิญญาณเท่านั้น ดังนั้นบุคคลผู้ดำเนินงานเช่นนี้ก็ต้องมีความเชื่อในพระเจ้าและสวดขอพรจากพระองค์อยู่เสมอก่อนจบผู้ทําการสัมภาษณ์ได้ถามว่าการเป็นนักวิญญาณศาสตร์ให้ประโยชน์แก่ชีวิตอย่างไรตอบว่าการเป็นนักวิญญาณศาสตร์มีผลทำให้เราเชื่อได้สนิทใจว่าสิ่งที่เราเรียกว่าความตายนั้น เป็นเพียงมายาประการหนึ่งบุคคลทั้งหลายซึ่งเคยเป็นที่รักของเราเมื่อครั้งยังอยู่ในโลกนี้เมื่อเขาละโลกนี้ไปแล้วก็เท่ากับว่าเขาได้เดินทางล่วงหน้าเราและได้คอยเราอยู่ข้างหน้าแล้วนั่นเองวันหนึ่งเราก็จะได้เดินทางไปพบเขาเหมือนกับเราเคยพบกันมาแล้วในโลกนี้ แม้พระเยซูก็เคยได้ตรัสว่าเราจะล่วงหน้าไปก่อนเพื่อจะได้เตรียมที่ทางไว้ให้เจ้าแปลาจากนิตยาสารรายสัปดาห์ชื่อไซคิเนียสฉบับประจำวันที่11เมษายนครสิสตศักราช1970ออกในประเทศอังกฤษ หมายเหตุของผู้แปลน่าสังเกตว่าในประเทศอังกฤษมีสมาคมนักวิญญาณศาสตร์ตั้งขึ้นอย่างเป็นหลักฐานมีการควบคุมกันได้คือไม่ให้สมาชิกในสมาคมทำเรื่องราวแหกคอกเพื่อหาความเด่นแต่คนเดียวและประชาชนก็มีความมั่นใจได้พอสมควรว่าจะไปหาคนทรงคนไหนในกลุ่มนั้นๆก็ได้โดยไม่ต้องเกรงว่าจะถูกต้มตุน ลักษณะเช่นนี้รู้สึกว่ายังไม่มีในประเทศไทยซึ่งต่างก็มีอิสระเต็มที่ในการทำงานหรือในการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อเรียกร้องความสนใจจากประชาชนใครจะทำแหวกแนวหรือผาดโผนอย่างใดก็ได้โดยไม่มีการควบคุมหรือการติดต่อประสานงานกันเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งหรือเห็นแก่ความก้าวหน้าโดยส่วนรวมในบางครั้งการติดต่อหากจะมีบ้าง ก็เป็นไปด้วยเจตนาที่จะลองดีเพื่อจะดูว่าใครแน่มากกว่าที่จะติดต่อเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยความปรารถนาที่จะหาความจริงอย่างบริสุทธิ์ใจสิริพุทธสุข